สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟซูตอนที่สี่ร้อยสิบห้าเรื่องการย่ะเย้ยพระเยซูลูกาบทที่ยี่สิบสองข้อหกสิบสามถึงข้อหกสิบสี่โปรดฟังพรชนะของพระเจ้าเขาเย่ะเย้ยและโบยตีพระเยซูฝ่ายคนที่คุมพระเยซูก็ย่ะเย้ยโบยตีพระองค์แต่เมื่อเขาเอาผ้าผูก ปิดพระเนตรของพระองค์แล้วเขาจึงถามว่าจงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าเขาพูดคําหยาบช้าแก่พระองค์อีกหลายประการพี่น้องครับเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ตอนนี้หลายหลายครั้งทีเดียวบางคนก็อ่านข้ามไปเพราะรู้สึกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรามากนักจํานวนข้อก็ไม่ได้เยอะเป็นการบรรยายถึงการที่พระเยซูถูกเยาะเย้ย ถูกโบยตีแต่ยังไม่ได้ไปถึงจุดไครแม็กก็คือการที่พระเยซูถูกตรึงเพราะการรีบอ่านผ่านไปอยากจะไปถึงฉากของการถูกตรึงนั้นทำให้หลายคนก็ไม่สนใจพวกทหารซึ่งเป็นลิ้วล้อของพวกฟาริสีของเฮโรดและของโรมไม่ได้สนใจว่าริ้วล้อทหารพวกนี้นี่ทำอะไรกับพระเยซู เพราะว่ายังไม่ถึงขั้นที่พระเยซูต้องตายแต่สิ่งที่ผมอยากจะเน้นในเช้าวันนี้คือการย่อเย้ยพระเยซูซึ่งถูกบันทึกบันทึกไว้ถึงสามแห่งในพระธรรมมัทธิวมาระโกลูกาถึงสามแห่งมัทธิวนั้นบันทึกอยู่ในยี่สิบหกข้อหกสิบเจ็ดหกสิบแปดมาระโกนั้นบันทึกอยู่ในบทที่สิบสี่ข้อที่หกสิบห้าเป็นพระอพีสั้นๆทั้งสามตอนครับแต่ถ้าถามว่า ทำไมพระเยซูจะต้องถูกยอะเยะ้ยทำไมพระเยซูจะต้องถูกย่อเยอ้ยทั้งๆ ท, ท, ที่พระเยซูช่วยคนจนพวกทหารเหล่านี้นะครับก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนยากจนพอสมควรเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นชนชั้นเป็นผู้บังคับบัญชาหรือชนชั้นผู้ปกครองแต่ว่าพระเยซูทำไมต้องถูกย่ะเย้ยจากคนเหล่านี้ด้วยพวกเขาก็รับรู้รับทราบว่าพระเยซูรักษาคนเจ็บ พระเยซูสอนคนที่ไม่รู้ให้รู้สอนคนโง่ให้ฉลาดพระเยซูทรงดูแลสตรีที่สังคมลังเกียจให้โอกาสกับเด็กเล็กๆพระเยซูสั่งสอนอย่างเปิดเผยไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองหากเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของทหารลีวล่อตามความคิดของพวกเราเราคิดว่าพวกเขาหน้าจะปฏิบัติต่อพระเยซูดีกว่านี้ใช่ไหมครับ ถามว่าทำไมพระเยซูถูกย่ะเยะ้ยพี่น้องครับผมคิดถึงสาเหตุหนึ่งที่พระเยซูถูกย่ะเย้ยก็คือการใส่ความเข้าใจผิดเข้าไปอยู่ในตัวของทหารนิวร้อเหล่านั้นการใส่ความเข้าใจผิดใส่ข้อมูลที่ไม่ถูกใส่การตีความเหตุการณ์ต่างๆทั้งในเชิงการเมืองการปกครองการทหาร การที่ประเทศชาติจะอยู่รอดหรือไม่รอดการที่กล่าวอ้างพระเยซูว่าพระเยซูนั้นทำผิดกฎระเบียบของคนยิวทำผิดกฎบัญญัติเพราะว่าสถาปนาตัวเองเป็นพระเจ้านี่คือการมโนครับคือการยัดเยียดความผิดมโนความผิดของคนอื่นโดยใช้อีโก้ของตนเป็นที่ตั้งพี่ต้องปวดฟังอีกครั้งนะครับ ความเข้าใจผิดหรือการยัดเยียดข้อมูลผิดนั้นเกิดจากการมโนของผู้ที่ควบคุมอยู่ข้างหลังโดยใช้อีโก้ของตนเป็นที่ตั้งแล้วกระจายยาพิดกระจายความเข้าใจผิดต่างๆเหล่านั้นให้ไปถึงนิวรอทหารคนที่เข้ามาและทำให้พระเยซูบาเดเจ็บพระเยซูกินข้าวกับคนเก็บภาษี แทนที่จะมองไปในด้านดีแต่บอกว่าไปเกลือกกลัวกับคนบาปอย่างนี้เป็นต้นเปียซูได้ยอมให้หญิงโสภพณีที่กลับใจสำนึกบาปนั้นนำน้ำหอมมาชโลมที่เท้าของพระองค์ก็ไปกล่าวหาว่าเนี่ยน่าจะนำเงินไปซื้ออาหารไปทำดีไปทำบุญไม่ดีกว่าหรือ หรือแม้แต่พระเจ้าของบางศาสนานั้นเป็นพระเจ้าที่กระหายเลือดไม่ใช่เป็นพระเจ้าที่ทรงรักมนุษย์พระเจ้าของคนศาสนาหรือบางศาสนานั้นห้ามพลาดพิงพูดถึงหากพลาดพิงพูดถึงก็ตายแต่พระเยซูของเรานั้นมักถูกยเยอะเย้ยดูหมิน่นสามปีที่ผ่านมาพระเยซูถูกย่ะเย้ยดูหมิน่นพระเยซูถูกปองร้าย พระเยซูจะต้องหลบหนีพี่น้องครับในโลกปัจจุบันนี้เช่นเดียวกันเราจะเห็นการย่อเ ย, อเยอ้ยพระเยซูเกิดขึ้นดาดดื่นเลยครับยกตัวอย่างเช่นนะักร้องชื่อเสียงนะครับระดับโลกเลยที่มีชื่อเริ่มต้นว่าเลดี้เธอร้องเพลงเพลงหนึ่งว่าเกิดมาทางนี้นะครับบอนดิ w เว เพลงนี้เป็นที่นิยมชม ช, มชอบชื่นชมของบรรดานักฟังเพลงทั่วโลกเพลงนี้บอกว่าเธอตกหลุ ม, ล, มลักผู้ทรยศต่อพระเยซูหรือเจสัสตกหลุมลักผู้ทรยศต่อพระเยซูเจสัสก็คือตกหลุมลักยูดาสถามว่านี่คือการประชดประชันการยอดเย้ยพระเยซูหรือเปล่าครับ มีกลุ่มรักร่วมเพศในซันฟานซิสโกร่วมกันเดินแบกไม้กางเขนสวมมงกุฎหนามบนศรีรษะพี่น้องครับจินตนาการอันแปรปรวนเกิดขึ้นเพื่อย่อเยอเยพระเยซูเพื่อทำให้พระเยซูเสื่อมเสียเกียรติแท้จริงแล้วพระเยซูมาเพื่อที่จะมอบความรักให้การอภัยทําการไถ่ปราบมารมให้ลาบคาบดับพิษของความตาย ไม่ได้มาเพื่อสงครามการย่อเย้ยของทหารนั้นจุดที่เขาย่อเย้ยก็คือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนั่นเองครับ<ด>และ ว, วิธีการย่อเย้ยของพวกเขาก็คือการถมน้ำลายรดองค์พระบุเ้เนเจ้าของเรารดที่พระพักตรีที่หิษะและเอามือตบหน้าพระองค์แล้วพูดว่าเจ้าพระคริสต์จงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าเจ้าพระคริสต์จงเผยให้เรารู้ว่าใครตบเจ้าจุดที่เขายเย้ยคือความเป็นพระเจ้าของ พระเยซูใช่ไหมครับเขาพูดหยาบช้าต่อพระองค์หลายประการพระเงมพีไม่ได้บันทึกว่าพระเยซูตอบพวกเขาแม้สักคําเดียวพระองค์ทรงเงียบทั้งต่อริวร้อทหารที่เขาได้รับข้อมูลความคิดความโกรธความเกลียดสืบทอดต่อกันมาคนเหล่านี้เมื่อกลายเป็นเครื่องมือของผู้บงการคนเหล่านี้ก็ทําร้ายคนบริสุทธิ์ได้เหยียดหยามลามปามไปถึงพระเจ้า นำตัวเองเข้าไปสู่การทำบาปและในที่สุดก็คือฆ่าองค์พระผู้เป็นเจ้าพี่น้องครับเรามาถึงบทประยุกต์ก็คือบางครั้งคนบางคนได้ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเป็นที่พอใจเป็นที่ชอบใจเพราะเขาต้องการให้คนอื่นยอมรับในอำนาจของเขาพี่น้องสังเกตดูลี้ร้อทหาร เป็นคนที่อยู่ในเรียกว่าชนชนชั้นที่อีกระดับหนึ่งของสังคมบางคนอาจจะเป็นทหารเกณฑ์ทหารยศไม่สูงเป็นคนที่อยู่ใต้บงังคับบัญชาคนอื่นแต่พวกนี้ต้องการให้คนอื่นเห็นว่าความสำคัญของเขานะให้คนอื่นเห็นว่าเขาทำได้นะในการทรมานพระเยซูเขาต้องการการยอมรับหรือเล็ค็อกไนท์จากผู้คนรอบข้าง และมโนคิดเอาเองว่าสิ่งที่ตนทำนี้ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาถูกต้องในการข่มเหงชอบทำในการตีพระเยซูเพีองครับในสมัยนี้นะครับคารว่ามีโมเดลม็อกครับโมเดม็อกคืออะไรโมเดม็อกคือการย่อเย้ยตบตีพระเยซูในสมัยปัจจุบันพี่น้องครับหลายหลายครั้งทีเดียวเราเห็นคนบางคนทำให้พระเยซูเสื่อมเกียรติ หรือแม้กระทั่งเราเองนั้นทําให้พระเยซูเสื่อมเกียรติเรากําลังเหาะเย้ยพระเยซูเมื่อเราทะเลาะกันทําให้คนอื่นเหาะเย้ยพระเยซูแทนที่เขาจะเป็นสาวกแต่เขากลับเดินออกไปแต่ถ้าเรารักกันพระเยซูบอกว่าคนภายนอกเขาก็จะเห็นว่าเราเป็นสาวกของโปร่งวิใช่หรือพี่น้องครับอย่าให้เกิดโมเดนม็อก ในชีวิตของเราเลยขอพระเจ้าเมตตาอวยพรอาเมน